เวลาที่เราปฏิบัติทำบางครั้งความรู้ความเห็นมันก็เกิดขึ้นอย่างคนที่เบื้องต้นคนไม่เคยเป็นสมารที่แล้วก็ได้ความสงบใจมันก็มีอย่างบางคนทำชำนาญก็ทำความสงบใจได้บ่อยๆ อ, อย่างบางคนที่ยังไม่ชำนาญก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้าง ทีนี้การที่เราทำได้้ดยผลที่ดีอย่างหนึ่งคือมันสร้างความเชื่อมั่นว่าเส้นทางเดินของเรามันถูกต้องนะเพียงแต่ว่าเราต้องละเอียดละอในวิถีการปฏิบัติของเราให้มันมีส่วนถูกมากมากขึ้นมีส่วนถูกที่มันละเอียดละอขึ้น เขาจะพูดว่าใครๆก็ดูลมแล้วก็ใจสงบถ้าพูดอย่างนี้ก็อาจจะไม่จริงร0อยเซเพราะว่ามันจะมีทั้งคนที่ทำถูกและทำไม่ถูกฉะนั้นคนดูลมทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่จะสงบได้ร0 0ยร้ยเหรือคนที่มาบริกรรมพุทโธก็ไม่ใช่ว่าจะสงบได้ร0อก็ขึ้นอยู่กับว่า เราทำได้ถูกต้องหรือเปล่าแล้วอะไรเป็นตัวตัดสินว่ามันถูกต้องก็คือความใส่ใจของเรานี่เองความใส่ใจของเราอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจดีมากน้อยแค่ไหนยกตัวอย่างเหมือนอย่างคนที่สวดมนต์ทุกวันเวลาที่สวดมนต์ทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยมันก็จะจำได้จำบทสวดได้ ทีนี้พอจําบทสวดได้เนี่ยเรื่องที่จะคล่องขึ้นคล่องขึ้นคล่องขึ้นเรื่อยๆทุกวันทุกวันมันก็จะมีอาการที่เขาเรียกว่าชินชามีความชินเกิดขึ้นแล้วผลที่ได้ก็คืออะไรผลที่ได้คือใจมันก็ขโมยหนีไปทั้งทั้งที่ปากมันก็ว่าบทสวดมนต์แหละปากก็ว่าปับป๊บปับป๊บปับปบไปยังไม่ต้องอะไรมากยัง เราไปงานวัดครูบาอาจารย์บางที่เงี้ยก็อาจจะมีนิยมสวดลักขีก็คือสวดอ e ิติปิโสแสนจบอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งมันเป็นบทที่ใครๆก็สวดได้อะเขาก็เลยนิยมสวดกันด้วยนะไม่ต้องพกหนังสือพราะสวดแสนจบเนี่ยลักขีไแปลว่าแสนใช่ไหมเพราะทาไปทําไปเราก็จะรู้อะว่า จริงๆแล้วใจเราไม่ได้อยู่กับบทสวดได้ตลอดยิ่งบางบทที่อย่างเนี้ยบทอิติปิโสพระควาเนี่ยมันง่ายๆจำได้ทุกคนสวดไปสวดไปก็ไปคิดเรื่องนั้นบ้างคิดเรื่องนี้บ้างไปคิดถึงเอ๊เพื่อนเราเป็นไงเอ๊ที่บ้านจะเป็นยังไงมันมีเพราะความเคยชินมันก็ทำให้เราทำการงานอันนั้นได้ แต่ทำได้ไม่ดีเพราะเราไม่ได้ใส่ใจมันการดูลมหายใจก็เหมือนกันมันก็เป็นอะไรง่ายๆหรือการนึกคาบริกรมพุโทโธก็เหมือนกันก็เป็นอะไรง่ายๆพอเราเริ่มชินสักหน่อยหนึ่งใจเรามันก็ขโมยหนีได้เหมือนกันขโมยหนีไปเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนั้นไปอาจจะไม่ได้หนีไปหนึ่งรอร์เซอาจจะหนีไปสัก50สิบ หกก็ได้ซึ่งอันเนี้ยถ้าเราไม่ละเอียดเราก็จะโดนกิเลสมันหลอกไปว่าอ๋อฉันก็ทําอยู่นี่ไม่เห็นมันได้สักทีหนึ่งฉันก็พุทโธอยู่นะฉันก็ดูลมหายใจอยู่นะมันไม่เห็นเป็นสมาธิเหมือนแต่เก่าเลยเอ๊ะทำไมตอนนั้นมันเป็นทําไมตอนนี้ไม่เป็นก็มันทำไม่ละเอียดอ่ะ ทำไม่ละเอียดรอก็ผลที่ได้มันก็ได้ตามเหตุที่เราทำนั่นแหละถ้าทำไม่ละเอียดผลที่ได้ก็ไม่ประณีตแล้วกิเลสมันก็จะคอยซุ่มโจมตีเราอีกเป็นเป็นตัวที่สองเป็นสัมทับที่สองอีกนอกจากความหลงความเคยชินความคุ้นชินแล้วนะความความที่ ม, มันจะมาสร้างเหตุผลนะว่าเามื่อก่อนฉันทำได้ตอนนี้ฉันทำไม่ได้มันไม่ถึงจะดีเลยมันไม่ถูกต้องแล้วมันไม่ได้ไม่ได้มันก็มาทำให้เราท้อถอยอ่อนแอไปอีกแล้วยิ่งเรามีความรู้สึกว่าเราเคยทำได้เราทำไม่ได้มันจะขโมยใจของเราไปไว้กับผลในอดีต ถ้าเรียบเทียบก็เหมือนกับคนรวยนะคนรวยมีตังเป็นแบบพันล้านหมื่นล้านนี้สมมติอยู่ดีๆเกิดทําธุรกิจปิดพลาดขึ้นมาจากพันล้านหมื่นล้านอาจจะเหลือสักห้าล้านสิบล้านนี่นะเหล๋ยห้าล้านสิบล้านนี่ก็ไม่ใช่น้อยนะคนที่เขาไม่มีกระตังนี อย่าว่าแต่หลักล้านในหลักแสนเขาก็ยังคิดเยอะแต่หลักเหลือหลักห้าล้านสิบล้านนี่คนที่เคยมีพันล้านหมื่นล้านนี่เ็เครียดมากอะเพราะว่าอะไรเพราะใจมันไปอยู่กับพันล้านหมื่นล้านที่มันหายไปแต่ไม่ได้มีความสำรวจอะว่าเฮ้ยเราเหลืออะไรเท่าไหร่แล้วเราจะทำยังไงต่อไปใจมันไปพวงแต่ของที่มันหายไปแล้ว สูญไปแล้วฉันไดชั้นนั้นเน่เวลาที่เราทําสมาธิแล้วเราเคยได้สมาธิความสงบแล้วพอเรากลับมาทําอีกเนี่ยเล่เหลี่ยมของกิเลสคือมันก็อยากความอยากนะมันก็อยากให้มันได้ผลเหมือนเก่าอยากให้มันได้ดีเหมือนเก่ามันก็ดึงใจเราไปแทนที่เราจะอยู่กับพุทโธได้ดีอยู่กับลมหายใจได้ดีเหมือน เหมือนที่ผ่านมามันขโมยใจเราไปอยู่กับผลของคราวที่แล้วใจมันไม่อยู่กับปัจจุบันไม่ได้อยู่กับการงานที่ควรจะต้องทำคือลมหายใจคือพุทโธแต่กระแสของใจความสนใจความใส่ใจมันมันถูกย้ายไปอยู่กับผลในอดีตภาวนาพุทโธไปดูลมหายใจไปก็ ใจมันก็ล่องลอยไปสู่ความสำเร็จในอดีตมันก็ไม่ดีสักทีอันนี้ก็เป็นเป็นเล่ห์เหลี่ยมอันหนึ่งที่ยังไงซะคนที่ปฏิบัติธรรมก็ต้องต้องผ่านเส้นทางนี้เส้นทางที่ได้ผลที่มันดีมีความเจริญรุ่งเรืองแล้วเราก็ไม่ได้เท่าเก่า คนที่มันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปช่างมันอย่าเอาใจไปผูกไว้ที่ไหนเอาใจผูกไว้นปัจจุบันตอนนี้เละความรุ่งเรืองในอดีตความดีในอดีตที่มันผ่านมามันก็ผ่านไปแล้วเป็นอดีตไปแล้วสำคัญอยู่ณปัจจุบันต่างหากเราจะมีความสุขที่จมอยู่กับอดีตหรือเราจะมีความสุขอยู่ณปัจจุบัน ถ้าใจเราอยู่กับปัจจุบันได้จริงจังมันก็มีความสุขได้แต่ถ้าใจเราย้อนกลับไปในอดีตอยากจะได้ความสุขในอดีตแต่ปัจจุบันมันจะไม่ใช่แล้วเราก็จะอยากได้สิ่งไหนแล้วมันไม่ได้มันเป็นทุกข์แน่นอนอันนี้คือความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่พ้นอยากได้สิ่งไหนแล้วไม่ได้มันก็เป็นทุกข์อยากได้ให้มันดีเท่าเก่า แต่ตอนนี้มันไม่ดีเท่าเก่ามันก็เป็นทุกข์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรากําลังทําเหตุของความทุกข์กับจิตใจของเราอยู่เพราะฉะนั้นมันสมเหตุสมผลกันแล้วที่เราจะรู้สึกว่า เ, าเราภาวนาไม่ดีไม่ได้ความสงบสักทีเพราะว่าเหตุมันคืออะไรเหตุคือความทุกข์เหตุเหตุของความทุกข์เราได้กระทํามันอยู่คือการที่เราส่งใจย้อนกลับไปในอดีต ไปหาผลในอดีตที่มันดีงามรุ่งเรืองซึ่งมันก็ถ้าเราเท่าทันเรารู้แล้วว่าโอ้มันยังโหยหาความสาเร็จในครั้งเก่าครั้งก่อนเราก็พยายามที่จะอย่าไปใส่ใจมันผ่านแล้วผ่านไปมันจะดียังไงก็ช่งมันเรามีความสุข บอกตัวเองไว้ว่าเราจะอยู่ณปัจจุบันมีความสุขณปัจจุบันดีกว่าเพราะอะไรเพราะมันเป็นของที่มันจับต้องได้จริงอดีตผ่านไปแล้วจับต้องไม่ได้อนาคตยังมาไม่ถึงจับต้องไม่ได้แต่สุขที่อยู่กับลมหายใจณปัจจุบันตอนนี้จะมากจะน้อยมันของจริงที่เราทำได้ยินดีพอใจกับณปัจจุบันตรงนี้มันทาให้เราทุกน้อยแน่นอน มีสุขถึงมันไม่มากแต่ก็สุขไม่ทุกข์เพรานั้นสภาวะธรรมต่างๆก็เทียบเคียงกันได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการที่สมาธิเกิดขึ้นครั้งต่อไปเราก็ไม่เห็นสมาธิแบบเดิมอีกแล้วอาจจะซึ่งแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมอยู่แล้วแต่ละครั้งแต่ละขนมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปตามตามเหตุปัจจัยของมันมันจะเกิดยังไงก็เรื่องของมัน เรามีหน้าที่แค่รับรู้รับทราบเฉยๆอย่าบางคนดูความไม่สวยไม่งามดูอสุภาพของร่างกายอยู่อย่าบางคนดูกระดูกดูไปดูไปดูไปมันเกิดซึ้งขึ้นมาในใจความเข้าใจทางสมอง กับความเข้าใจทางความรู้สึกนี่มันค่อนข้างต่างต่างมากอยู่อยตอนนั้นเราเราก็ไปเดินจงกรมแล้วก็ดูไปดูสุภาพไปดูไปเรื่อ ย, เ, ยเห็นให้มันรู้สึกถึงตับบ้างปอดบ้างไส้บ้างอะไรก็ดูไปเรื่อยๆทําไปทุกวันทุกวันทุกวันมันก็เข้าใจนี่แหละว่าคนเรามันก็มีอยู่เท่านั้นแหละแต่เราก็ทําซ้ําไปซ้ําไปซ้ําไป จนไม่ได้คาดหวังไม่ได้คาดหวังอะไรกับมันมากทำในหน้าที่ทำก็ทำไปจนผลผลที่ได้คือความรู้สึกว่าความไม่สวยไม่งามความสกปรกโสโครของร่างกายเราร่างกายคนอื่นมันเหมือนกันแล้วมันก็ซาบซึ้งอยู่ในใจว่าโอ้ความจริงนี่มันเป็นอย่างนี้ความจริงที่ ระพทธเจ้าแสดงเอาไว้ที่เราฟังมันก็อย่างหนึ่งแต่พอมันปรากฏเป็นความรู้สึกในใจโอ้โหมันต่างกันไม่รู้จะใช้คำว่าแบบไหนจะบอกว่าเม็ดหินเม็ดทรายเทียบกับภูเขาแนละ้วมันยังน้อยไปความยิ่งใหญ่ของความจริงที่มันไปปรากฏอยู่ในใจนี่มันมันชัดเจนลึกซึ้งแล้วก็ยิ่งเห็นถึง ความประเสริฐขององค์พระศาสดาว่าโอ้โยตัดความจริงซึ่งพอเราได้รับรู้รับทราบที่ใจแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่ากิเลสเนี่ยมันคอยปกป้องปิดบังไม่ให้เราได้รับรู้รับทราบความจริงเหล่านี้ที่ใจเราได้เลยคอยเอาอารมณ์อันอื่นมาปิดบังเาไว้ ให้เราคิดผิดเห็นผิดบ้างไม่มีวินาทีแม้แต่เสี้ยวของเสี้ยววินาทีที่มันจะทำให้เราได้รับรู้รับทราบความจริงอันนี้ที่ใจของเราได้แต่เพราะว่ามีคำสอนเพราะ ม, มีพระศาสดาที่แจกแจงคำสอนดีแล้วนะแสดงทางเดินดีแล้วแสดงถึงผลว่าผลที่ได้มันจะเป็นยังไง อย่างละเอียดเราก็ปฏิบัติตามปฏิบัติตามไปซึ่งมันมันก็ไม่ต้องไปคาดหวังอะไรแล้วก็ทำให้มันถูกเอาใจเราอยู่กับเหตุอย่างเดียวก็พอส่วนผลที่มันปรากฏมันก็เหมือนตอนตอนที่พระอานนท์น่ยรอานนตอนที่จะทำสังคยานาโอ้ยเร่งถ้าเป็นถ้าตายแต่สุดท้ายพอใจมันไม่ได้อยู่กับ ว่าโอจะต้องถึงงานแล้วนะจะต้องรีบบรรลุพระอราหันต์ให้ได้ถ้าไม่ได้ก็เข้าประชุมไม่ได้ทําสังขยาณาไม่ได้พอไม่ได้คาดหวังผลก็กลับมาที่นะัปัจจุบันคือที่กายที่มันเหนื่อยล้านี่แหละเห็นมันเหนื่อยล้าก็อยุดพักผ่อนสัหน่อยก็มีสติคอยดูไปเรื่อยตอนที่จะเอนตัว หัวยังไม่ทันถึงหมอนเท้ายกจากพื้นเนี่ยหัวยังไม่ทันถึงหมอนเลยกิเลสมันก็พังพีหน้ารากไปมันก็ให้เห็นนี่แหละว่าบทที่ผลมันจะปรากฏเนี่ยขอให้มันทำให้มันถูกเถอะผลมันปรากฏของมันเองถึงเราจะคาดคั้นมันขนาดไหนก็ตามมันไม่เป็นอย่างที่เราอยากให้มันเป็นแต่ขอที่ทำให้มันถูกแค่นั้นเอง เสี้ยวเดียวเสี้ยววินาทีเดียวเนี่ยมันได้พอมันได้มันก็คือได้ได้แล้วมันก็ไปปรากฏชัดอยู่ที่ใจของเราน่ยว่ามันได้แต่แน่นอนแหละว่าแต่ละครั้งแต่ละครั้งมันก็จะไม่เหมือนกันนะมันจะไม่เหมือนกันอย่างไอความซาบซึ้งในการพิจารณาเนี่ยมันมันจะเกิดความซาบซึ้งใหญ่ๆอยู่แค่ไม่กี่ครั้งหรอกครั้งสองครั้งก็เต็มที่แล้วะ ซึ่งมันจะซึ้งตลอดซึ้งไปเรื่อยๆอย่างนี้มันก็เป็นตัวกั้นขวางมรรคผลนิพพานเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าซึ้งอยู่ในใจแล้วมันจะดีดีที่สุดไม่ใช่ออาทำไมถึงพูดอย่างนั้นเลราปีการที่เรามีปีติมีความเอิบอิ่มอยู่ในใจก็เป็นเครื่องขวางมรรคผลนิพพานอยู่ยกตัวอย่าง อย่างเช่นคนที่มีใจยินดีปราถนาอย่างเหมือนภาษารีบทก็ได้ภาษารีบทนี่ก็เป็นพรามใช่มชาติก่อนแล้วก็เห็นได้ทำบุญกับพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งแน่ดีแล้วก็ได้เห็นพระสาวก อัครส า, าวกเบื้องขวาแสดงธรรมโอ้วิจิตพิสดารไพเราะมากชอบมีความปีติมีความอิ่มใจเกิดขึ้นพระเจ้าก็เทศต่อแต่ความปีติความอิ่มใจตรนั้นมันเกาะจิตไปแล้วมันปล่อยไม่ได้เพราะมันปล่อยไม่ได้มันก็บรรลุธรรมไม่ได้เพื่อนๆเนี่ยบรรลุธรรมกันไปหมดแต่ตัวเองติดติดความอิ่มใจติดความปรากปรในใจอันนี้ไว ก็เลยไม่ได้บรรลุธรรมแต่ก็ด้วยว่าเราเป็นจุดตรงนั้นแหละจึงทำให้เดินบนเส้นทางในการสั่งสมบารมีจนมาเป็นอัครส า, าวกเบื้องขวาผู้เลิศไปด้วยปัญญาของพระศ า, ศาสดาของเราพระสมณะโคดมมันก็ดีแต่มันยังดีไม่สุดนะเพราะนั้นการที่มันจะ บรรลุธรรมมีมรรคผลนิพพานเนี่ยใจมันต้องเป็นกลางกลางได้ปล่อยวางได้ก็เหมือนตอนพระอ น, นุนั์นะที่ว่าพอแล้วเลิกก่อนพักผ่อนก่อนใจมันก็ปล่อยแหลมันกลับมาที่เป็นความกลางกลางแล้วความอยากในใจที่จะอยากบรรลุก็ปล่อยไปแล้วพอกลางปุ๊บมันก็ปล่อยได้หมด กิเลสที่เคยมีสั่งสมในอนุสัยยังไงก็ปล่อยปล่อยได้หมดก็เป็นพระอาหารหันต์องค์หนึ่งในโลกที่พูดตรงนี้ก็คืออยากจะชี้ให้เห็นนั่นแหละว่าแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันผลที่ได้ต่อจิตใจไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่มันได้คือความรู้ความเข้าใจที่มันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ มันจะตอกย้ำความมั่นใจลงไปเรื่อยๆจากการที่เราพิจารณายิ่งครั้งแรกที่เราเห็นแล้วเรามีความทราบซึ้งในความจริงที่มันปรากฏที่ใจโออันนี้มันจะยิ่งปลูกศรัทธาฝังรากลึกลงไปในจิตใจมันจะไม่หวั่นไหวไม่คอนเคลนว่า อย่างคนที่พิจารณาอย่างเช่นอสุภะเป็นต้นเห็นถึงความเป็นอสุภะที่จิตใจแล้วเนี่ยซึ้งอยู่ในจิตใจให้ใครมาพูดกี่พันคนน่าเชื่อถือกี่แสนคนกี่ล้านคนว่าไม่ใช่ร่างกายมาเป็นของสะอาดนะมันเป็นของสวยของงามนะให้ยกคนทั้งโลกมาพูดก็ไม่เชื่อเพราะความจริงมันไปนปรากฏอยู่ที่ใจอยู่แล้ว มันทราบซึ้งลงไปที่ใจแล้วเพราะฉะนั้นใครจะมาพูดยังไงเนี่ยความเชื่ออันนี้มันไม่หวั่นไหวเป็นผู้มีศรัทธาที่มันตั้งมั่นอย่างลงไปในความจริงแล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นคุณสมบัติของผู้ที่จะพ้นทุกข์ได้แหละถ้ามีศรัทธาที่มันตั้งมั่นขนาดนี้ นอกจากจะเป็นสภาวะของการเห็นอสุภะก็ตามหรือจะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็แล้วแต่ที่มันเห็นมันก็แต่ละครั้งมันก็จะเห็นไม่เหมือนกันเรามีหน้าที่ยอมรับความเป็นจริงตรงหน้าว่าครั้งนี้เราเห็นแบบนี้ครั้งนี้เราเห็นแบบนี้ครั้งนี้ซาบซึ้งในใจมากครั้งนี้ซาบซึ้งในใจเฉย ครั้งนี้เห็นแต่ใจเป็นกลางได้ดีเหล่านี้เป็นต้นอันนี้เป็นหน้าที่ของเราแต่เราไม่ได้มีหน้าที่ไปกำหนดว่ามันต้องเป็นผลอย่างนั้นเป็นผลอย่างนี้ไม่ใช่เรามีหน้าที่คือรับรู้รับทราบแล้วเราก็อยู่กับเหตุให้ดีผลที่เกิดเราก็รับรู้รับทราบแล้วสําคัญที่สุดคือรู้ทราบแล้วก็ต้องพยายามให้ใจเป็นกลางด้วย ถ้าใจเป็นกลางได้อันนี้ถูกต้องแต่ถ้าใจยังไม่เป็นกลางก็ถือว่ายังต้องปรับลงอยู่อะนน้ก็ต้องหมั่นพยายามพิจารณาเรื่อยๆน่แหละพิจารณาสักพักหนึ่งก็เข้าสมาธิเข้าสมาธิสักพักหนึ่งดูมันจะขี้เกียจก็เขียนมันออกมาพิจารณาดูกร ะ, กระดูกบ้าง ดูถึงความไม่เที่ยงบ้างเหล่านี้สลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้เราะะนั้นก็อย่างที่บอกไปเวลาที่เรามีสติคอยเห็นใจอยู่เรื่อยๆเราก็จะรักษาใจได้ดีเห็นอะไรที่มันมากระทบใจบางครั้งถ้ากำลังสติกำลังสมาธิเราดี เราก็จะเห็นถึงความที่มันเข้าไม่ถึงใจก็มีบางครั้งมันเข้ามาถึงใจเราเราคิดพิจารณาทบทวนอีกสักหน่อยหนึ่งมันก็หลุดออกไปจากใจก็มีเพราะฉะนั้นผลแบบนี้นี่มันมีได้หลายแบบหลายอย่างก็ไม่ต้องไม่ต้องเอาเป็นประมาณมันจะเกิดยังไงเรามีหน้าที่ดูรู้ศึกษามัน แล้วก็พยายามที่ให้ใจเป็นกลางกับมันให้ได้ความรู้ความเห็นที่มันเกิดขึ้นความจริงที่มันปรากฏขึ้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราก็ต้องปล่อยวางเหมือนกันนะฟังดูอาจจะมึนๆซะหน่อยนี่ความรู้ความจริงมีแล้วมันมันก็ต้องยึดเอาไว้สิ ไปปล่อยแล้วมันจะใช้ได้ยังไงเรามีความยึดถือตรงไหนเนี่ยมันก็ทุกตรงนั้นแหละเรายึดถือในความจริงเราก็อะไรที่มันมากระทบความจริงมันก็จิตใาที่ใจเรานเ่เหมือนอย่างการที่เราพิจารณาเห็นโทษอนะความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ ความตายเป็นทุกข์ความป่วยไข้เป็นทุกข์เหล่านี้พอเราเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราเราเข้าใจทราบซึ้งหนุ่ไปแต่พอไปเจอบางคนที่แบบใช้ชีวิตแบบอิเล็กิคค่ะไม่ได้เห็นถึงว่าตัวเองจะต้องป่วยต้องตายอะไรอย่างนี้นะบอกไปเขาก็ไม่เชื่ออีก พอไม่เชื่อปุ๊บมันก็มากระเทือนใจเราเนี่ยว่าเฮ้ยมันจริงทําไมคุณไม่เชื่อความจริงเรอง น, นี้มันจริงๆน ะ, ะแต่พอเขาปฏิเสธเท่านั้นแหละจิ๊เข้ามาในหัวใจเราเพราะฉะนั้นความเป็นจริงก็เป็นสิ่งที่เราต้องต้องใช้ให้เป็นะคือใช้มาแก้ใจเราแไม่ต้องไปแก้ใจใครก็ได้ตราบใดที่อ่า เราเอาความจริงที่มีอยู่มาแก้ใจเราแล้วเราปล่อยวางได้ น, นั้นดีแต่ถ้าเรายึดติดแล้วทุกคนจะต้องเห็นเหมือนเราเข้าใจเหมือนเราทาําตามเราอันนั้นมันบังคับใครไม่ได้แล้วพอที่ถึงจุดหนึ่งเขาปฏิเสธเขาไม่เห็นด้วยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันสวนทางกับความจริงของเราเราก็จะรู้สึก รับไม่ได้กระทบกระเทือนความรู้ความเข้าใจของเราก็มันจริงๆริงจงทำไมคุณไม่เชื่อนี่เป็นต้นนะเข้าสมาธินี่มันดีนะมันดีทำไมไม่หัดเข้าสมาธิปากก็บอกมันดีดีจนปากฉีดถึงหูแล้วเขาก็ยังไม่เชื่อ เราไม่เชื่อเราก็จี้จาอยู่ในใจถ้าเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์เนี่ยเราก็จะได้เห็นเลยว่าเออจริงๆแล้วความยึดถือยึดมั่นในความดีความงามความรู้มันก็เป็นสิ่งนําทุกข์มันเปิดช่องอมันมีช่องที่จะนําทุกข์มาให้เราได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นเราก็ต้องปฏิบัติต่อความรู้ก็คือปล่อยวางมันด้วยรู้แล้วก็วางไปรู้แล้วก็วางไปบางคนก็อาจจะสงสัยว่าอ้าววางอย่างนี้ก็คือไม่ได้ไปใส่ใจความรู้อีกอแล้วเราจะมาศึกษาทำไมก็มาศึกษาอะไแหละศึกษาให้มันรู้ รู้เพื่อที่จะแก้ใจตัวเองรู้ให้มันเท่ากันให้มันละเอียดขึ้นไปอีกว่าอะไรที่มันจะมีช่องออกให้กิเลสมันมาโจมตีเราโจมตีจิตใจเราไม่ต้องไปเผื่อแผ่ถึงถึงข้างนอกเอาแค่เก็บมาไว้เป็นความรู้ที่จะมาใช้กับตัวเองก็พอ ไม่ต้องไปสอนใครก็ได้ขอให้สอนเราให้มันได้ก็พองนั้นจริงๆแล้วกิเลสมันก็มีเล่ห์เหลี่ยมหลายๆอย่างที่มันก็บรรยายได้ไม่หมดนะแต่ถ้าคนปฏิบัติทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ต้องเจอแต่ถ้าผ่านไม่ได้ก็หาโอกาสที่จะสั่งสนทนากับผู้รู้เราก็จะได้รู้ว่า งทีเรายังมองข้ามบางจุดไปไม่เห็นเล่ห์เหลี่ยมของมันถ้าเขาชี้ช่องให้เราแล้วเรารู้แล้วเราก็เอาไปหัดทำทำให้ได้แล้วอีกอย่างหนึง่งไอ้ผลของการปฏิบัติเนี่ยมันเป็นสาธารณะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเป็นนักบวชหรือเปล่า เป็นนักบวชถ้าไม่ปฏิบัติก็ไม่ได้ผลไม่ได้ผลดีทางด้านจิตใจเหมือนกันถึงไม่ได้เป็นนักบวชแต่เราก็มาบวชใจแบบนี้มาหัดใจแบบนี้มันก็ได้ผลเช่นเดียวกันยิ่งธรรธรรมดีขึ้นดีขึ้นละเอียดละออมากๆากเราก็มีสิทธิ์ที่เราจะได้ผลที่มันเทียบเท่ากับ พระพุทธเจ้าก็ดีหรือหมู่สาวกอรหันของพระพุทธเจ้าก็ดีก็ไม่ได้จำกัดว่าต้องผู้ชายเท่านั้นนะผู้หญิงไม่ได้ไม่ใช่ผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้เด็กก็ได้คนสูงอายุ ก, ก็ได้ ซึ่งคนสูงอายุนี้ก็อาจจะมีทั้งข้อดีข้อเสียนิดหนึ่งอย่างข้อดีก็คือตัวเองมีประสบการณ์ในชีวิตมาเยอะก็น่าจะรู้จักทุกข์ที่มันกว้างขวางขึ้นมากกว่าเด็กๆแต่ในกรณีที่อายุมากเนี่ยมันก็จะลำบากเกี่ยวกับทางร่างกายอยู่บ้าง นั่งนานก็ปวดนั่งนานนานก็เมื่อยเขาก็ไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นนะมันมันมันอาจจะดูเป็นข้อที่ทําให้เราปฏิบัติธรรมได้ยากแต่จริงๆมันก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมยากไรนะยิ่งเราเห็นทุกข์อย่างเงี้ยเรายิ่งต้องพิจารณาให้มาก เห็นทุกข์ทางกายทุกข์ของตัวเราเองแบบนี้เนี่ยยิ่งต้องพิจารณาให้มากให้ใจมันได้ปล่อยวางจะบอกว่ามันเป็นข้อเสียจริงๆมันก็เป็นข้อดีข้อดีที่พอเราเห็นทุกข์เราก็จะได้หาช่องออกจากทุกข์ไม่เหมือนเด็กๆเด็กๆ ด, กดกร่างกายแข็งแรงมันจะไปหาโทษของร่างกายเจอได้ง่ายๆเหมือนกับคนที่ มีอายุมากๆก็คงจะไม่ใช่แก่แล้วนี่หูกม็มีปัญหากินก็มีปัญหาบางทีลิ้นก็ไม่ได้รับรสอะไรก็มีบางทีฟันก็มีไม่ครบอีกเขี้ยวก็ลำบากตาก็มองยากเดินก็เดินยากเหล่านี้เป็นต้นซึ่งมันก็เห็นว่าร่างกายอันนี้เ น, นความจริงก็คือมันเป็นรังของโรคนละ มันมีแต่ข้อเสียแต่ที่ผ่านมาเราอาจจะเข้าใจไปผิดว่ามันเป็นของดีของงามอันนั้นเราก็ยกไว้เพราะมันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วแต่เรื่องที่ณนะปัจจุบันที่เราจะต้องทำให้ได้สอนมันให้ได้ก็คือให้มันเห็นนแหละว่าร่างกายจริงๆแล้วเนี่ยมันกำลังมุ่งหน้าใกล้แล้วนะใกล้จะถึงจุดที่ใช้คาว่าเสื่อมสลาย พราะมันเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ต้องอรีบรักษาใจให้ใจเราไม่ยึดติดไม่ผูกยึดให้ใจเราได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เราว่าตายนี้ของเราของเราเนี่ยมันไม่ใช่ของเราทิ้งแท้นะแล้วที่ว่ามันเป็นคนมันก็ไม่ใช่คนไม่ใช่สตา์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาทิ้งแท้ด้วย เวลาเราพิจารณาไปแบบนี้เรื่อยๆเวลาที่ร่างกายมันเกิดแปรปรวนขึ้นมาเนี่ยเราก็จะได้มีสติที่จะคุ้มครองใจเราได้ไม่วันไหวไปตามอาการของทางร่างกายที่มันแปรปรวนไปซึ่งยังไงร่างกายมันต้องแปรปรวนไปอยู่แล้วตามอายุตามสภาพของมันมันเป็นของที่ต้องเสื่อมทุกวันทุกวัน ทีนี้มันเสื่อมไปแต่ใจเราก็ไม่เดือดร้อนไปกับมันอันนี้เป็ น, นเรื่องที่เราทําได้อันนี้เป็นหน้าที่ของเราก็ต้องคอยมีสติเห็นนะี่ยอย่างน้อยๆ ก, กายก็อันหนึ่งใจก็อันหนึ่งเวลาที่เรามีสติอยู่กับลมหายใจคอยเห็นกายมันเคลื่อนไหวอยู่เราทําอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยความรู้สึกในใจเรามันก็จะค่อยๆ ชัดเจนขึ้นว่า อ, อความเป็นเราเนี่ยมันอยู่ตรงความรู้สึกที่เราเฝ้าดูเฝ้ารู้นะไอ้กายที่มันรู้สึกว่าเป็นเราเนี่ยความเข้มข้นมันน้อยความเข้มข้นของความเป็นเรามันอยู่ตรงความรู้สึกซช่มากกว่าก็จึงพยายามที่จะให้เห็นแล้วก็สอนใจแบบนี้แหละเราจะได้ คลายความยึดถือจากร่างกายอันนี้ลงได้บ้างซึ่งถ้าเราทําให้ได้อย่างดีความรู้ความเข้าใจที่ว่านี่ไม่ใช่เรานี่ไม่ใช่เขานี่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่มีเราไม่มีเขาที่อิงแท้ถ้าความรู้อันนี้ปรากฏขึ้นในใจชัดเจนแจ่มแจ้งในใจโอ้อันนี้มันสบายเลย ห, หัวกระดปะนิพานมารอแล้วถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจอันนี้เกิดขึ้นที่ใจได้เป็นผู้ที่ไม่กกต่ำเป็นผู้ที่มีหน้ามุ่งตรงต่อนิพานแน่นอน